ไม่ต้องการสิ่งใดก็มีเป็นงฉันกับเธอก็พอไม่ใช่เรื่องสมมตแต่มันคือความจริงเราสองคนเกิดมาเพื่อกู่กันในจากนี้ไม่ได้อวยจนเวอว่างแต่รักที่เรามีนี่เป็นยิ่งกว่านังเรื่องมีดไหนสั่งขอบคุณที่เลือกฉันแล้มาเป็นความสุขให้กันและกันเติมเต็มในส่วนที่ขาดแต่เมื่อให้เน้นไปพร้อมกันในสิ่งที่หวังใ น, ในสิ่งที่พัฒนาอยากจะมีแค่เธอคนเดียวอยู่เป็นน้ำเมื่วันเลย ก็ไม่ต้องพูดมากก็อยากให้ดูที่การกระทาฉันพูดไปแล้วว่ารักเธอไม่กลับคำไม่ก่อนคนนี้พูดจริงทําจริงนะ b a b ี baby. ขอบคุณที่ทําให้เรา ไยินแล้วเปิฝั่งมันซ้ำๆถึงเพลงนี้มันจะไม่พอเท่าไร่แต่ทูกคำมันปั่นอกมาจากหัวใจแค่ไม่ได้เจอกะกิดถึงเจอคนดีไม่อยากให้เธอหายรู้ตัวนะจอตีมันก็วนก็ว่ายทุกครั้งทุกทีที่ไม่ได้เจอถ้ากะเธอไปฉันอยู่ไม่ได้แน่เลยสัญญาแล้วนะว่าจะอยู่กับฉันเป็นตายายถ้าอยู่กับฉันจะไม่ทําให้เธอต้องโศคลายอ่อนโยนแค่คนอ่อนมั่หม่ต้องการแค่เจอคนเดียวบ่ไหม้ตาย จะไม่มีใครมาแสรกกลางเราสองขอสัญญาจะดูแลให้ดีจังชีวิตนี้มอบให้เธอก็มีแค่อยู่รู้ไหมถึงแม้โลกมันจะสลายไปแต่รักของเราจะไม่สลายตาอยอให้โลกสลาย